เหมือนไฟที่เท่ากลบไปพระพุทธภาษิตกรรมลามกที่คน่านทำแล้วยังไม่ให้ผลทันทีก็มีดังนมสดที่ยังไม่ทันแปรไปแต่บาปนั้นย่อมแผดเผาคน่านในการอันควรเหมือนไฟซึ่งเท่ากลบไปอธิบายความนมสดที่เพิ่งรีดใหม่ๆจากแม่โคยังอุ่นอยู่ยังไม่เปลี่ยนเป็นนมเปรี้ยวแต่เมื่อทิ้งไว้มันย่อมเปลี่ยนเป็นนมเปรี้ยว บูดเน่าเสียบริโภคไม่ได้ชั้นใดการบางอย่างที่คนพานประมาทชราใจทํำก็ฉันนั้นยังไม่ให้ผลในทันทีแต่คอยการฟักตัวคอยเวลาอันเหมาะสมขอให้แก่รอบปริปักโกแล้วจึงให้ผลคนพานเข้าใจผิดคิดว่ากรรมไม่ให้ผลจึงชราใจทําต่อไปหากกรรมช่วยผลทันทีใครเล่าจะทํากรรมชัว่วผลดีหรือผลชั่วต้องคอยเวลาทางนั้นคนทําชั่วยอย่าชราใจ คนทำดีต้องใจยเย็นรอได้คอยได้กรรมชั่วบางอย่างท่านเปรียบเหมือนไฟที่เท่ากลบไว้จับเข้าใหม่ๆไม่รู้สึกร้อนแต่พอจับไปจับไปถึงไฟไฟนั้นจะไม่มือร้อนบุคคลไม่ควรดูหมิ่นหรือประมาทว่ากรรมจะไม่ให้ผลขอให้แน่ใจว่ามันต้องมีผลอย่างแน่นอนเร็วหรือช้าเท่านั้นพระศัสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ที่วัดเวฬุวันเมืองราชครทรงปรารบอะิเบต คือเปรตที่หัวเป็นมนุษย์ตัวเป็นงูมีเรื่องย่อดังนี้ในระหว่างที่พระเคยเป็นชดินผ่นสามรูปมีปุรณะกัสสะเป็นต้นมีรูปหนึ่งชื่อลักขณะวันหนึ่งพระลักขณะและพระมหาโมคคลานะลงจากภูเขาคิจกูดเพื่อบินธบัตในเมืองราชเกลืพระมหาโมคคลานะทําการยิมน้อยๆพระลักษณะจึงถามเหตุแห่งการยิมนั้น พระมหาโมคลานาตอบว่าอาวุโสเวลานี้ไม่ใช่การตอบปัญหาของท่านท่านค่อยถามในที่เฝ้าพระาศาสดาเถิดเมื่อบินทบาทเสร็จและนเสร็จแล้วพระเถระทั้งสองพากันไปเฝ้าพระาศาสดาในที่นั้นพระลักษณะได้ถามขึ้นอีกพระโมคคลานะจึงกล่าวว่าอาวุโสข้าพเจ้าได้เห็นเปรต้นหนึ่งมีศีรษะเหมือนมนุษย์แต่อัตภาพอื่นๆเป็นงูยาวถึงยี่สิบห้าโยศถูกเปเลวไฟลุก ลาไหม้อยู่ทั่วตั้งแต่ศรีรษะถึงหางข้าพเจ้าเคยเห็นเปรตอีกตัวหนึ่งคือกากับเปรตที่ภูเขาคิจกุฏมีไฟไหม้อยู่ทั่วข้าพเจ้าถามถึงบุพกรรมของเขา ว, ว่าเคยทํากรรมอะไรไว้จึงต้องถูกไฟไหม้ทนทุกทรมานอยู่ถึงป่านี้เปรตนั้นได้ตอบข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้ากินอาหารที่เขานํามาเพื่อสงสมัยพระพุทธเจ้าพระนาว่ากระศพผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่คือในการแห่งพระกระโพทศพลนั้น ข้าพเจ้าเกิดเป็นกาจับอยู่ที่สาราโรงฉันเห็นภาชนะที่รถเลิกที่ชาวบ้านนํามาเพื่อถวายส่งได้ข้าวอก้อนข้าวสามาำเต็มปากสามครั้งด้วยกรรมเพียงเท่านี้ข้าพเจ้าจงตกนรกอเวจีไม่อยู่ใน น, นรกนั้นเนิ่นนานด้วยเศษแห่งกรรมนั้นจึงมาเกิดเป็นเปรตอยู่ณที่นี้พระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโมคคลานะพูดจริงเราเองก็เคยเห็นเปรตนั้นแต่เราไม่ได้กล่าว เพราะเกรงว่าเมื่อกล่าวไปแล้วใครไม่เชื่อก็จะพึงเป็นโทษแก่ผู้ไม่เชื่อนั้นในการนี้พระาศาสดาทรงเป็นพยานของพระมหาโมคคลานะตัดเรื่องถึงยี่สิบเรื่องพิสูจ์ทั้งหลายฟังเรื่องของอหิเบนั้นแล้วทูลถามถึงบุปผกรรมพระาศาสดาตรัสเล่าดังนี้ในอดีตการประชาชนชาวเมืองพารณสีสร้างบรรณาศาลาหลังหนึ่งถวายพระปเจกบุตรเจ้าใกล้ฝั่งแม่นม้ำ ทั้งเชาา้าและเย็นประชาชนจะนำสักการะมีของหอมดอกไม้เป็นต้นไปหาพระปเจกพุทธเจ้านั้นเหยียบย่ำนาของชายคนหนึ่งไปชายนั้นพยายามห้ามเท่าไรคนก็ไม่ฟังเขาจึงคิดว่าเพราะมีบรรณสาลาของพระปัเจกพุทธเจ้าอยู่ที่นี้คนทั้งหลายจึงเหยียบย่ำนาของเราไปหาท่านหากไม่มีพระปเจกพุทธเจ้านาของเราก็จะไม่ถูกเหยียบย่ำเขาคิดอย่างนี้แล้วเวลาเช้าพระปัเจกพุทธเจ้าเข้าไปบิณฑบาตในเมือง จึงเผาบรรณาราาเสียพระกลับมาเห็นบรรณาาลาถูกไฟไหม้แล้วก็หลีกไปตามสบายมหาชนถือของหอมได้ดอกไม้มาหาพระปัจเจกาของพรเจ้าอย่างเคยเห็นบรรณาาลาถูกไฟไหม้ก็กราบกันว่าพระผู้เป็นเจ้าของเราไปณที่ไหนหนอชาวนาคนนั้นก็มากับคนทั้งหลายเหมือนกันยืนอยู่ท่ามกลางมหาชนก่าบว่าข้าพระเจ้าเองเป็นคนเผาบรรณาาลา คนทั้งหลายจึงจับชาวนานั้นทุบตีด้วยท่อนไม้และก้อนดินเป็นต้นจนตายชาวนาเกิดในอเวจีไม่อยู่ในนรกโยนานและมาเกิดเป็นไอฮิปเปรตที่ภูเขาคิจกูดเพราะเศษแห่งกรรมที่เหลือลงพระศา ส, สดาตรัสเล่าเรื่องอหิปเปรตจบแล้วจึงตรัสพระพุทธภาษิตซึ่งนายกขึ้นกล่าวแล้วในเบื้องต้นนั้นแหล